บทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่24อ่านโดยโจโฉหรืออ น, อนุสรรีโสภาอ้นยตหใใเจจไม่ค I'm just e boy, boy.